สูตรเขาเป็นอย่างนี้ว่าสช่ไหมเห็นรูปรูปประขันเนี่ยนะโดยอนิจนนนนจังทุกขงังอนัตตาถ้าอนิจจังทุกขังอนัตตาบริบูรณ์อะไรบริบูรณ์นิพพิธาบริบูรณ์ถ้าสี่ประการบริบูรณ์อะไรบริบูรณ์วิราคานุปัสนานี่บริบูรณ์ถ้าสี่ประการบริ ถ้าประการ น, นี้บริบูรณ์ก็นิโรธานุปัสสนาบริบูรณ์ถ้านิโรธานุปัสสนาบริบูรณ์ปฏิเนสคานุปัสสนาก็บริบูรณ์อันนะเรียกว่าตามเห็นรูปประคันโดยอนุปัสสนาเจ็ดถามว่าตัวปัญญาที่เกิดร่วมกับตัวอนุปัสสนาเจ็ดเหล่านี้เนี่ยเกิดร่วมกับอะไรสัมพยุตกับอะไรกับจิตใช่ไหม เพราะัตามเห็นจิตที่ไปพิจารณาด้วยอนุปัสนาเจอีกครั้งหนึ่งโดยตามสูตรอนิจจังเนี่ยนะทุกขังอนัตตาอันเนะเป็นอะไรเพื่อให้เกิดนิพพิธาตรงนี้ท่านใช้คำว่าจิตนะทั้งทั้งที่เป็นจิตเกิดร่วมกับวิปนะัสสนาท่านหลีกเลี่ยงที่จะตามเห็นว่าปัญญาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเอาไปเอามาเนี่ยจะเข้าใจผิดใน มหาเวทะละสูตรเนี่ยแยกให้เห็นชัดเลยว่าจิตคือวิปัสนาจิตปัญญาคือวิปัสนาปัญญาเนี่ยจิตในฐานะเป็นปรินยยธรรมควรกำหนดรู้ปัญญาที่อยู่ในจิตดวงนั้นเป็นพาเวตพธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญเนี่ยนะในนั้นเนี่ยบอกไว้อย่างนั้นเลยซึ่งเมื่อก่อนอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจาทาให้เห็นว่าตรง จิตตัวนั้นอ่ะวิปัสนาจิตนะตัววิปัสนาจิตตัวจิตนั้นเป็นปริญยยธรรมปัญญาเป็นภาเวตาธรรมท่านหลีกเลี่ยงในการใช้คํามากเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปัญญาก็ไม่เที่ยงก็ดีไหมใครเคยอ่านพรตไตรปดอกเจอบ้างอ่าปัญญาก็ไม่เที่ยงปัญญาเป็นทุกปัญญาก็เป็นอนาตายไม่มีนะมีแต่ส่งเสริมให้เจริญอย่างเดียวอันท่านหลีกเลี่ยงคํามากก็วิราคาโนปัสนา นิโรธานุปัสสนาปฏินิส ข, ขานุปัสสนาตัวนี้ก็เป็นความบริบูรณ์ของธรรมะนี่ก็เปลี่ยนตรงนี้เรื่อยๆเนีข้อนี้ข้อนหนึ่งก็รูปใช่ไหมสองเวทนาพิจารณาเวทนาโดยอนุปัสสนาเจ็ดแล้วตามเห็นจิตที่พิจารณาเวทนานั้นอีกครั้งหนึ่งสามสัญญาพิจารณาสัญญาโดยอนุปัสสนาเจ็แล้วพิจารณาจิตอนันอีกครั้งหนึ่ง สี่พิจารณาสังขารโดยอนุปัสนาเจตแล้วก็พิจารณาจิตเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งโดยอนุปัสนาเจตห้าพิจารณาวิญญาณโดยอนุปัสนาเจตก็ตัวเองอยู่แล้วพิจารณาตัวเองโดยอนุปัสนาเจตเว้ยถ้าทําได้ขนาดนี้ไม่บรรลุก็รู้ไปนะเรมันตามเห็นขันโดยอนุปัสนาเจตแล้วก็มี พิจารณาจิตเจตสิกนั่นแหละโดยอนุปัสสนาเจ็ดอีกครั้งเนี่ยย้ำอยู่นั่นแหละย้ำแล้วย้ำเล่าทั้งวันทั้งคืนในมหาสติปัฏฐานก็เป็นแต่ไม่ชัดแบบที่นั่นที่นั้นเพราะในคำอธิบายก็มีอธิบายอยู่ในหน้าห้าสิบห้าก็มีนะเกี่ยวกับพังคานุปัสสนาหน้าห้าสิบห้าในอัตถกถาก็มีแล้วอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งก็คือหน้าหกร้อยเก้าสิบสองข้อ หนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยนะเช่นว่าจิตมีรูปเป็นอารมณ์แล้วก็เห็นความแตกดับแห่งเกิดขึ้นขึ้นแล้วย่อมแตกไปพโยขาวจรเห็นอารมณ์นั้นแล้วพิจารณาเห็นความแตกไปแห่งจิตนั้น่ะโดยอนุปัสนาเจตเนี่ยนะก็จิตมีเวทนาเป็นอารมณ์พิจารณาเวทนานั่นแหละแล้วก็พิจารณาเห็นจิตที่มีเวทนาเป็นอารมณ์นั่นแหละโดยอนุปัสนาเจตอันธรรมะสองร้อยหนึ่งเนย ถ้า ต, ตามสูตรเนี่ยทำมาสองร้อยหนึ่งต่อด้วยเอาจิตที่ไปพิจารณานั้นน่ะเจริญอนุปัสนาเจ็ดทั้งหมดเลยนนะโ้ใครที่เจริญขนาดนี้นะไม่ได้ปฏิสัมพิธามากก็เอยไม่ได้ปฏิสัมพิธาก็เกินไปนะเจริญมากจริงๆเลยนะอนนะสองร้อยหนึ่งคูณอนุปัสนาเจ็ดอยู่สองครั้งนี่มาดูวิญญานุปัสนาบ้างนะทวนในหน้าส0มร้อยหกอีกครั้งหนึ่งนะ วายานุปัสนาเนี่ยนะานาไไ ก, การตามเห็นความเสื่อมไปได้แก่การตามเห็นความการรู้ความดับแ่งขันในอดีตอนาคตอันสืบเนื่องกันไปตามขันนั้นในลำดับแห่งการรู้ความรู้ความดับแ่งขันในปัจจุบันก็แสดงว่าตามเจริญอนุปัสนาเจ็ดในขัน ท, ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตพอวิปริณามานุปัสนาก็คือพิจารณาขัน ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นแหละว่ามีความแปรปรวน เพราะน้อมไปในนิโรธคำว่าไม่ไปคล่องไม่ไปอาไลอาวอนเนี่ยนะอนุปัสนาเจ็บทุกอารมณ์เอาสิอารมณ์นั้นอ่ะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันฉั้นใครที่พิจารณาคำว่าขันขันเพราะขันเพราะอัตถาว่าขันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนะก็เจริญอนุปัสนาเจ็บในขันที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันนะมันก็ เมื่อจิตพิจารณาอย่างนี้ไปมากๆแล้วจิตก็จะน้อมไปในนิโรธเนี่ยนะน้อมไปในนิโรธบางท่านที่ฟังธรรมะในระดับนี้เนี่ยนะบางทีฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมมันพิจารณามากมายอะไรประมาณนั้นเนี่ยคือหลักการคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยนะจับหลักสามข้อ ง, ง่ายๆเนี่ยก็จะเข้าใจเลยคือหนึ่งปฏิบัติเพื่อตัดเยื่อใยในขันธ์ที่เป็นอดีต ต้องการตักต้องการตักความหวังในขันที่เป็นอนาคตและปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในขันที่เป็นปัจจุบันแล้วก็จะสงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปเนี่ยคือวัตถุประสงค์เนี่ยโครงสร้างย่อๆมีอยู่สามคำทายังไงที่จะตักอาวรในอดีตได้ทั้งหมดเลยนะตักยื่นใยในอดีตได้หมดเลยแล้วก็เลิกหวังทุกชนิดในอนาคตต่อไป ไอ้คันที่มีอยู่ก็เบื่อเต็มทีแล้วเหมงอนนแต่ไม่ใช่โธนะ่สารนะเดี๋ยวเป็นโท่สาร้องให้ระงมอะไรก็ไม่ใช่มันก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะเห็นว่าวิธีการเข้าไปเพ่งไปพิจารณาเข้าไปแคร์ควรเนี่ยมากจริงๆจึงสมควรพอแก่ความเบื่อหน่ายถ้าไม่พิจารณาขนาดนี้นะโอ้ยมันละอละอละไรไม่ได้รอกนั่ น, นี่ยก็เหมือนแค่ว่าหยาบๆหน่อยนะแค่โท่สาเนี่ย วัตถุบางอย่างนะพิจารณาแล้วพิจารณาอีกก็ยังระ ง, งับโทสะอย่างยากเลยใช่ไหมคิด น, นิดหน่อยๆนะพิจารณานิดหน่อยไม่พอที่จะละโทสะได้ราคะติดแน่นกว่านั้นอีกเนี่ยนะละยากมากเพราะงั้นการพิจารณาเพื่อถอนฉันทะราคะในวัตถุ น, นั้นๆนะจึงมีการพิจารณาซ้ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนจนไม่อาวบ์จริงๆเลยนะกลุ่มปัญญาไ่น้อยทั้งหลายเนี่ยนะ กลุ่มปัญญาโนยเนี่ยจิตที่ไปคล้องในขันทั้งหลายเหมือนกับเส้นใยเนี่ยที่มันไปมัดเอาไว้เต็มไปหมดเลยเนะจิเลก ข, ของเราเนี่ยมันมันเหมือนสมนมติว่าถูกไว้เนี่ยกลับไว้กับทุกอารมณ์และทุกทวารถ้ามองสังโยชน์เป็นสังโยชน์สิบนะสังโยชน์คือตาเออเข้าไปตากับสีเนี่ยมีเครื่องผูกอยู่สิบเส้นแล้วไอ้ผูกสิบเส้นเนี่ยผูกทั้งที่เป็นอดีตอ น, นาคตเนี่ยถูกผูกอย่างนี้มาเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ถามว่ามีดก็เป็นมีดเล็กๆเนี่ยนะสนิมเคลือ ถามว่าทำยังไงก็ค่อยๆแล่ไปทีละอันทีละอันทีละอันตามแล่ให้หมดเลยนะยิงกระตัดได้ใช่ไหแต่กลุ่มผู้มีปัญญาแบบโบราณนะมีดาบอย่างคมก็ฟันฉับเดียวนี่ขาดหมดเลยนะกลุ่มปัญญาเน้น้อยว่าค่อยๆแล่ไปทีละอันทีละอันทีละอันปัญญามันน้อยอย่างนั้นน่ะเนืก็ถ้ายิ่งพิจารณาอย่างนี้นะดาบมันค่อยคมขึ้นคมขึ้นโดยธรรมชาติว่างั้นปัญญาก็จะแก่กล้ามากขึ้นแก่กล้ามากขึ้น ท่นก็จะตามเห็นปฏิบัติตามเห็นขันที่เป็นอดีตอนาคตทั้งหมดล้วนแต่แปรปรวนไปเป็นธรรมดาจิตก็น้อมไปในนิโรธคือความดับจิตก็น้อมไปในธรรมะที่เรียกว่านิสรณะเนี่ยนะน้อมไปไปในในิพพานที่เรียกว่านิสรณัโถนี่ยทีนี้ก็มาดูอนุปัสนาสามอีกอนนีมิตานุปัสนาอั ป, ปนิหิตานุปัสนาสุญญานุปัสนาสามอย่างนี้ก็คืออะไรคืออนิจจานุปัสนานั่นแหละ อ น, นิมิตานุปัสนาคืออา น, ออนิจานุปัสนาการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของพโยคาวจรผู้เห็นความแปรปรวนของสังขารอย่างนี้แล้วก็พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงชื่อว่านิมิตานุปัสนาเพราะไม่มีเครื่องหมายว่าเที่ยงอยู่เลยละเครื่องหมายหมดเลยอันะไม่มีแปะว่านี้ยั่งยืนนี้มั่นคงเป็นต้นเนี่ยไม่มีมีแต่ว่าของผุพัทงทั้งนั้นแหละว่า ง, งั้นเห็นเป็นของผุพัง ถ้าเป็นทุกขานุปัสสนานะเหมือนกับว่าไปแปะความเปลอยเน่าเอาไว้หมดแล้วก็เปลยเน่าหมดอะไแบบนั้นนะถ้าเป็นอ น, นิจจานุปัสสนาก็คือของผูกของพังอภิอนิหิตานุปัสสนาก็คือเปลืยเน่าหมดอะไรแบบนั้อแปลกนะมันอย่างสมมติเราเห็นผมผลเล็บฟันหนังทําไมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นบ้างนะแต่ถ้าเจริญจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องหมายเหล่านี้นะจะไปแปะไว้เต็มไปหมดเลยว่าเป็นของผูกพังเปลืยเน่ารังโรคเป็นต้นเนี่ยก็จะแม่นยำจน จนจิตเนี่ยคลายจากทั้งนามมารมและรูปประธรรมก็สักวันหนึ่งจะต้องเจริญได้ขนาดนี้แน่นอนนะนะเพราะฉะนั้นที่บอกให้บ่อยๆว่าไปเจริญเมตตาให้ตัวเองเยอะๆขอให้ข้าพเจ้าเจริญอนิจจานุปัสสนาอย่างชำนานขอให้ข้าพเจ้าเจริญทุกขานุปัสสนาอย่างคล่องแคล่วขอให้ข้าพเจ้าเจริญอนัตตานุปัสสนาได้อย่างดีนะนะเจริญเมตตาให้ตัวเองตั้งเอาไว้ดีๆนะเนี่ย ทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้ว่างถ้าไม่ตั้งนั้นมันไม่ค่อยยอมหรอกจิตไม่ค่อยยอมน้อมยอมน้อมไปพิจารณานะต้องตั้งอัตตะสัมมาปณิทิ่อยๆระหว่าอธิษฐานว่าท้าพระเจ้าจะเจรณญอนปัสสนาเจ็ดในอิรยาบดีเนี่ยนะก็ตั้งเอาไว้บ่อยๆน้อมไปโอนไปเนี่ยเนยเห็นชัดเลยว่ายุคนี้ปทุกขาปฏิปทาจริงๆส่วน อปินิหิตานุปัสนาเนี่ยนะก็คือการเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมพอไปแปะว่ามันเป็นทุกข์ในวัตถุนั้นถามว่าปรารถนาจะเอาไหมจะเอาวัตถุที่นั่นนะผุพังด้วยเปื่อยเน่าด้วยเอาไหมไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาเลยนะยมชินบอกไม่เอารุนแรงมากเลยนะบอกเอาบอกเอาไม่เอานี่ยบอกเอาภาษาเหนือ อันอปปะนิฮิตาก็คือละความปรารถนาไม่ต้องการไม่ได้เข้าใจว่ามันสุขอะไรเลยเนี่ยนะก็ที่เขาบอกว่าความจริงมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นทุกข์ทุกข์วิปริณามาทุกข์สังขารทุกข์เนี่ยนะทุกข์เท่านั้นแหละเกิดขึ้นเหมือนกันพเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไปตั้งว่านี้นะสุขนะนี้น่ะดีนะนี่สบายนะไม่เห็นเป็นอย่างนั้นหรอกเห็นแต่ความเป็นทุกข์สุญญาตานุปัสสนาการพี่เรณาเห็นความว่างเปล่าเนี่ยนะเห็นโดยความเป็นของศูนย์เนี่ยนะก็สิ่งใด เป็นของไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วมันเป็นใครล่ะนั่นก็ของว่างเปล่าจากอัตตาอันถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็ละความถือมั่นว่าเป็นอัตตาได้ส่วนอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาการพิจารณาเห็นธรรมะด้วยปัญญาอันยิ่งได้แก่วิปัสสนาเป็นไปเพราะถือความว่างเปล่าด้วยการดับว่าสังขารของพระโยคาวจรผู้เห็นแล้วแล้วเล่าเลแม่ท่านย้ำมากเลยนะแล้วแเล่าเล แล้วแล้วเล่าเล่ารอบแล้วรอบเล่าวันแล้ววันเล่าหลายๆวันผ่านไปอ่ะนะบอกกันหลายปีผ่านไปเดี๋ยวทําใจไม่ได้แล้วแล้วเล่าเล่ากัแล้วกันซึ่งความดับของสังขารอย่างนี้แล้วพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นย่อมดับนอกจากความดับของสังขารไม่มีอะไรอื่นั้นปัญญาที่ไปเห็นว่าสังขารทั้งเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นสังขารเท่านั้นแหละที่ตั้งอยู่สังขารแล้เท่านั้นแหละที่ดับไปไม่ได้มีสัตว์อะไรไป แตกดับแตกทำลายไปอะไรเลยนี่นี่พันวิปัสสนาน h i s เรียกว่าอาธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเนี่ยนีความเห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายยะถาภูตยานัทสนะตรงนี้ท่านบอกว่าพยตูปัฐานญาณเห็นว่าสังขารทั้งหมดเนี่ยมันน่ากลัวเห็นตามความเป็นจริงว่ามันน่ า, นนนากลัวมากมากเลยนะ่ะสังขารที่ดับดับแล้วแล้วเล่าเล่ามันน่ากลัวจริงๆรเนี่ยนีไม่น่ากลัวยังไงเพราะว่าถ้าเข้าไปชื่นชมเพลิดเพลินอะไรจะเกิดขึ้น ถามว่ามองเห็นปากจระเข้เลยนะถามว่ามันน่ายินดีหรือน่ากลัวมองเห็นก็บอกเมื่อไหร่นะจะหลุดพ้นก็ทีหนึ่งนะอาทีนวานุปัสนาก็เห็นโทษอาทีนวานุปัสนาก็คือพยาตูปัฏฐานญณนิยาคําว่าอาทีนวานุปัสนาพยาตูปัฏฐานญานนิพิทานุปัสนาก็คือสิ่งเดียวกันนะต่างกันแก่คําเรียกส่วนปฏิสังขานุปัสนา ก็คือการหาทางก็คืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตานุปัสสนาเกิดขึ้นด้วยมุนจิตุกรรมมยตายานปรีชาคำหนึงด้วยความไข่จะพ้นเสียหาทางอะนะว่ามันจะปลดได้ยังไงเนี่ยจะออกได้ยังไงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตา น, ะนี่นะเมื่อท่านกล่าวถึงปฏิสังขานุปัสสนาก็เป็นอันกล่าวถึงมุนจิตุกรรมมายตาสังขารูปเป็ขาญาณแล้ว เพราะว่ามุนจิตุกรรมมยตายานปฏิสังขารุปัสสนาญาณสังขารุเปกขายานเนี่ยเหมือนกันโดยอาาัถะต่างกันโดยพยัญชนะเนี่ยนะก็หาทางออกอย่างเดียวอ่ะนะ้ะทําทยังไงจะออกได้เห็นโทษของวัฏตะเห็นแล้วเห็นแล้วจะออกอย่างเดียวเอ๊ออกได้ยังไงเนี่ยนะรู้แล้วว่ามีภัยอยู่รอบด้านแต่ว่าออกไม่ได้มันเหมือนบ้านมาอยู่ในสมัยที่บ้านเมืองมีสงครามเต็มไปหมดใช่ไหมเขาบอกว่าเมืองโน้นสงบร่มเย็นก็ต้องการออกอะ าทั้หาวิธีการออกเนี่ยนะหลบหลบซ่อนๆนใช่ไหเพื่อหาทางหนีผู้ที่เจริญวิปัสนาปัญญาเพื่อออกจากวัตะก็ลักษณะเดียวกันหาช่องทางหาวิธีการไคร้ควรจนกว่าจะออกได้วิวัตนานนปัสนาอุบายการเห็นอุบายที่จะหลีกไปวิวัตนาเนะี่ยก็คือวิวัตะนะต้องการจะหลีกออกไอวิวัตะตัวนี้ก็คือโคตรภูยานยานในลำดับแห่งอริยมรรคเกิดขึ้นด้วยอนุโลมยาน เพราะถ้ากล่าวโคตรภูแล้วอนุโลมายานก็ชื่อว่าเป็นอันกล่าวแล้วถ้าอนุโลมยานไม่เกิดโคตรภูยามก็เกิดไม่ได้ท่านบอกว่ากล่าวถึงลำดับแห่งมหาวิปัสสนาสิบแปดอย่างย่อมรวมลงในบาลีก็อินรียห้าด้วยสามารถปฐมฌานสลัดไปจากอินรียห้าในส่วนเบื้องต้นอินรียห้าด้วยสามารถธุติยฌานสลัดออกจากอินสี่ห้าในปฐมฌาน คือท่านจะกล่าวถึงว่าอินทรีย์เนี่ยนะมันจะมีการสลัดออกไปโดยลําดับอินทรีย์เนี่ยมันจะมีการพัฒนายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นซึ่งเราจะเรียนถึงในอินตริยกถาข้างหน้านูน้นเลนะแต่ว่าวิธีอธิบายเกี่ยวกับมหาวิปัสสนาตามปฏิสัมพิทากับวิสุทธิมัช ก, ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างมาดูในวิสุทธิมัชอธิบายว่าบทว่าขยานุปัสสนาได้แก่ยานของพโยคาวจรผู้แยกคณะสาญญาคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนออกแล้วเห็น ความสิ้นไปชื่อว่าไม่เที่ยงพระาธรถาวสิ้นไปวิปริณามานุปัสสนาได้แก่การก้าวล่วงขั้นตอนนั้นๆด้วยรูปสัจกะและอรูปสัจกะเป็นต้นแล้วพิจารณาเห็นพิจารณาเห็นความเป็นไปโดยประการอื่นอีกอย่างหนึ่งการเห็นความแปรปรวนด้วยอาการสองคือด้วยชราและมรณะของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วอันวิปริณามานุปัสสนาก็คือคิดเรื่องความแก่และความตายอย่างชำนาญเนี่ยนะอย่างชำนิชํานาน ยะถาภูตยานัทสนะคือการรู้และการเห็นตามความเป็นจริงอันนี้หมายถึงการกำหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยวิวัฒนานุปัสนาการพิจารณาเห็นอุบายที่จะออกไตท่านกล่าวว่าได้แก่สังขารุปเปกขาญาณและอนุโลมยานอันนี้ก็เหมือนในจริยากถาพูดถึงวิญญาณจริยากับญาณจริยาคือธรรมะเหล่านี้นั้นซึ่งเราจะได้เรียนถึงได้อธิบายอย่างพิสดารอีกครั้งหนึ่งใน จริยาคถาจริยาคถาจริยาคถามีอยู่สามกลุ่มอัญญนะจริยาวิญญาณนะจริยาและญาณนะจริยาซึ่งก็ได้เรียนอีกครั้งหนึ่งให้เห็นว่าธรรมะเขาเป็นไปอย่างไรอย่าขาดนะึกบอกตัวเองไว้ก่อนวั <c oughs> นเมื่อกล่าวถึงอาวัชนะต่างกันของยานที่ได้อาวชนะต่างต่างกันแต่ท่านไม่กล่าวถึงอาวัชนะเพื่อเห็นอุบายที่จะออกไปแล้วว่าวิวัตานุปัสนา ถ้าว่าสังขารุเปกขายานอนุโลมยานจะพึงวิวัตตาจะพึงเป็นวิวัตานุปัสนาได้ก็ควรกล่าวถึงอาวัชนะเพื่อประโยชน์แก่ยานเหล่านั้นเพราะอาวัชนะของยานนั้นมีพร้อมแต่ท่านไม่กล่าวถึงอาวัชนะเพื่อประโยชน์แก่ยานนั้นเพราะอะไรเพราะว่าโคตรภูยานไม่ได้มีอาวัชนะพิเศษอะไรเลยเคือมันมีวิถีจิตวิถีเดียวอะที่รู้สองอารมณ์เนีย่ยนะคือมัคคุวิถี นนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์โคตรภูยานมัคคายานผลยานมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะนัมันไม่ได้มีอาวัชนะต่างหากเลยอ่ะนึกถึงนิพพานแบบธรรมนาไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้โคตรภูยานตรงนี้เนี่ยนะที่ไม่พูดถึงเพราะไม่มีอาวัชนะพิเศษต่างหากนนะซึ่งจะต่างจากอย่างอื่นเั้นพวกมหาวิปัสสนาสิบแปดนั้น รายละเอียดก็มีอธิบายมากพอสมควรในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะเล่มเล่มสามตอนจบเนี่ยนะก็มีอธิบายพอสมควรและดีกาด้วยเพราะมหาวิปัสสนาทั้งสิบแปดเนี่ยนะถือว่าเป็นบาทสําคัญที่จะทําให้โซดาปฏิมรรคเกิดขึ้นนะฮะนั้นโสดาปฏิมรรคที่จะเกิดขึ้นนั้นถ้าไม่อบรมเจริญมหาวิปัสสนาสิบแปดอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็ยาก แต่อย่าลืมนะว่ามหาวิปัสสนาสิบแดนี้เป็นวิธีการแสดงอย่างกว้างขวางพิสดารถ้าเข้าใจอนุปัสสนาเจดก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้เพราะชื่อส่วนใหญ่ก็ซ้ำาๆกันเนี่ยนะขยายพิสดารเพิ่มเติมอานิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาก็คืออนิิตานุ ป, นนปัสสนาอัปนิหิตานุปัสสนาสุญญานุปัสสนา เพราะพวกวิราคานุปัสสนากับกลุ่มวายาวิปริณามาก็คือกลุ่มเดียวกันไม่ไม่ได้ต่างอะไรกันพวกนิพพิทานุปัสสนากับอาทีนวานุปัสสนาก็คือสิ่งเดียวกันอยู่แล้วพวกปฏิสังขานุปัสสนาก็คือกลุ่มสังขารุเบคายานพวกปฏิเนสขานุปัสสนานั่นแหละกลุ่มเดียวกันส่วนวิวัฒนาก็คือคตรภูยานเนี่ยนะถ้าเราไม่ติดในคาจนเกินไปอ่ะนะทาความเข้าใจใน อนุปัฏฐานเจ็ดนี้ก็ถือว่าพอพอสมควรแล้วเนี่ยนะหรือถ้าแบบไม่มากเกินไปก็เอาสามคำแบบพระพุทธเจ้าง่ายดีเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกาหนัดเนี่ยนะเอาสามคำแบบพุทธพจน์เนี่ยมันจำง่ายดีไม่ต้องไม่อะไรมากหรอกจำไว้ให้ดีว่าเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกาหนัด เพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้อีกเพราะพระพุทธเจ้าตรัสวิปัสนาบางทีใช้อยู่ไม่กี่คำเนี่ยนะแต่ว่าปฏิสัมพิธามมากกว่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาขยายยางพิสดารกว้างขวางเพราะว่าผู้ที่ได้ปฏิสัมภิธาย่าลืมว่าเขาแจกประเภทอัฏฐะได้เพราะปฏิสัมพิธามแปลว่าปัญญาที่แจกแจงโดยประเภทเนี่ยนะซอยละเอียดยิบไปหมดเลยนะหันสารพัดเนี่ยนะ หันทั้งหันทั้งซอยทั้งเพื่อให้มันเห็นโดยหลืบโดยกรีบโดยวิธีการต่างๆอย่างวิจิตพิสดารเพราะผู้ที่ได้ปฏิสัมพิธานั้นนะ่ะปัญญาของเขาเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวสามารถที่จะพิจารณาโดยนัยะต่างๆอันผู้ที่มีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาใหญ่มีปัญญามากมีปัญญาลึกมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาเล่นไปเนี่ยนะมีปัญญาชําแรกกิเลสอันผู้ที่มีปัญญาเหล่านี้ก็ ผู้ที่แตกฉันปฏิสัมพิทายอย่างพระสาริบุตรก็สามารถที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เวนัยสัตว์ได้เยอะใช่ไหมสงเคราะห์ผู้อื่นได้มากเนยนะนะสำหรับผู้ที่ศึกษาปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเฉพาะตนก็ดีเฉพาะตนแต่ถ้านะนะมีแต่ว่าไม่ไม่กว้างขวางมีแต่ว่ามีตามสมควรแก่ฐานะของตนนะพรนะผ้าริยาสาวกทั้งหมดมีปฏิสัมพิทาหมด แต่ว่าบางอมที่เจรณาเช่นญาณในอัตในธรรมแค่เอกเทศไม่กว้างขวางทีนี้ปัญญาในปฏิสัมพิธาของแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันอย่างที่เรากําลังเรียนเนี่ยถือถือเอาปัญญาของพระอัครสาวกเป็นประมาณเนี่ยนะคือเอาปัญญาพระสารีบุตรมาตั้งแล้วเราเรียนตามว่าพระสารีบุตรท่านคิดอะไรเนี่ยนะทีนี้พระสารีบุตรท่านมีปัญญาชนิดที่ว่า เขาบอกว่าน้ําฝนในห้องจักรวาลทั้งหมดนะท่านคํานวณได้แต่ปัญญาของท่านไม่หมดนะ้นําทะเลทั้งหมดท่านคํานวณได้หมดอ่ะในโดยปริมาณเท่าไหร่เนี่ยนะคนจะถามท่านเนี่ยเว้นแต่ฉันเว้นแต่นอนเนี่ยท่านตอบได้หมดท่านมีปัญญามากขนาดนั้นนะฝนตกตลอดกับทั้งสิ้นเนี่ยนะตกตลอดกับทั้งสิ้นท่านยังคํานวณได้แต่ปัญญาของท่านนับไม่หมดจะกล่าวไปยายถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าเล่าเนี่ยนะีพระสารีบุตรจึงเป็นเอตทะฆะในทาง ผู้มีปัญญานี้ผู้มีปัญญาเขากล่าวอะไรเขาจะไม่กล่าวแค่อ้อมอ้อมนะปัญญาจะรู้ได้เมื่อสนทนาใช่เมื่อเนี่ยเมื่อเราได้ฟังธรรมอย่างนี้ก็หวังว่าจากได้เป็นผู้มีส่วนแห่งปัญญาตามพระอริยาสาวกทั้งหลายผู้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์นะนะก็อนุโมทนาด้วยนะ